วันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็ข อ, อนำธรรมะนั้นมาสู่ท่านสาธุชนในภูมิภาคนี้และในจังหวัดนี้ได้รับฟังจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับพร้อมกันณบัด น, นี้มีผู้อยากทราบว่าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ รูปพระสดได้เคยแสดงพระธรรมเทศนาไว้เกี่ยวกับการหาบุญได้และใช้บุญเป็นนั้นน่เป็นอย่างไรเมื่อกล่าวถึงเรื่องการหาบุญได้และใช้บุญเป็น ก็เป็นเรื่องของบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้มีปัญญารู้จักทางเจริญรู้จักทางเสื่อมรู้จักประโยชน์ปัจจุบันรู้จักประโยชน์ภายหน้ารู้จักธรรมะหรือสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระ และสิ่งที่ไม่ใช่สาระตามที่เป็นจริงคุณสมบัติดังกล่าวนี้เป็นคุณสมบัติของบัณฑิตความจริงคุณสมบัติของบัณฑิตนั้นหรือผู้รู้นั้นผู้มีปัญญานั้นมีมากกว่านี้แต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะนำมากล่าวในหัวข้อที่ว่า หาบุญได้ใช้บุญเป็นนั้นเป็นอย่างไรหาบุญได้ใช้บุญเป็นนั้นมีความหมายไปถึงว่ารู้จักวิธีทำบุญเพื่อให้ได้บุญที่บริสุทธิ์ที่สุดและบุญนั้นเมื่อบริสุทธิ์ที่สุดย่อมให้ผล เป็นความสันติสุขและเป็นความเจริญรุ่งเรืองแก่เราผู้ประกอบบาเพ็ญนั้นอย่างดีที่สุดทั้งในปัจจุบันและในอนาคตปัจจุบันมีความหมายทั้งอย่างแคบอย่างกว้างปัจจุบันหมายถึงขณะนี้และปัจจุบันหมายถึงปัจจุบันัพบหรือพบนี้ส่วนอนาคต หมายถึงเวลาที่ถัดออกไปจากบัดนี้เป็นต้นไปจนถึงหมายถึงข้ามภพข้ามชาติญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพึงเข้าใจว่าสัตว์โลกทั้งหลายตราบใดที่อวิชาคือความไม่รู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริง คืออาริยสิทธิ์อาริยสัจสี่นั้นก็ยังต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสังสาระจกักรนี้ไม่มีที่สิ้นสุดและการเวียนไหวตายเกิดนั้นย่อมประสบทุกบ้างสุขบ้างตามกรรมย่อมเป็นผู้ที่มีคุณความดีหรือมีความชั่วหรือเป็นผู้ที่ มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่หยาบหรือที่ประนีตแตกต่างกันไปตามกรรมเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายผู้มีปัญญาจึงพึงต้องทำเหตุที่จะเป็นกรรมดีที่จะส่งผล ให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองแหลสันติสุขด้วยมนุษย์สมบัติด้วยสวรรค์สมบัติและเจริญยิ่งขึ้นเป็นนิพพานสมบัติคุณความดีเบื้องตน้นที่จะให้ประโยชน์สุขแก่ผู้ประกอบบาเพญ็ญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนั้นก็คือทานกุศล ทานกุศลจัดเป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุหลายหลายอย่างแต่อย่างย่อบุบญยะกิริยาวัตถุสามประการคือทานศีลและภาวนาอย่างขยายเป็นบุญยะกิริยาวัตถุสิบประการอย่างพิศปา น, นับไม่ถ้วนขึ้นชื่อว่าบุญนับไม่ท้วนความดีมีมากนับไม่ท้วน การกระทำความดีทั้งหมดใดๆก็ตามมีสภาวะที่เป็นธรรมปฏิบัติเครื่องกาจัดกิเลสออกจากจิตใจให้กายให้วาจาและใจสะอาดบริสุทธิ์ธรรมปฏิบัตินั้นชื่อว่าบุญและธรรมปฏิบัติใด ที่เมื่อผู้ประกอบบาเพ็ญไปแล้วส่งผลให้ผู้ประกอบบาเพ็ญ น, นั้นได้รับความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขทั้งในปัจจุบันและต่อไปในการข้างหน้านั่นก็เป็นธรรมะปฏิบัติที่เป็นคุณความดีที่เป็นบุญที่เป็นกุศลนั่นเอง เพราะฉะนั้นเฉพาะในส่วนทานกุศลก็มีผลเป็นธรรมปฏิบัติเครื่องกำจัดกิเลสคือความตรหนีเหนียวแน่นความอับปัญญาไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ทางเจริญทางเสือ่อมความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัวหรือพวกคล้องหมู่เหล่าให้หมดสิ้นไปจากจิตสันดาน ทานกุศลจึงจัดเป็นบุญอย่างยิ่งประการหนึ่งเพราะเป็นธรรมเครื่องกำจัด ก, กิเลสออกจา ก, กจิตใจและเป็นธรรมเครื่องบำรุงความประพฤติปฏิบัติธรรมให้เจริญรุ่งเรืองและให้บริสุทธิ์ทั้งด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจที่ว่าให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองนั้นเป็นอย่างไร ก็เพราะว่าบุญ น, นั้นเมื่อผู้ประกอบบำเพ็ญมากเข้ามากเข้าแก่กล้าเข้าแก่กล้าคือกล้าเสียสละยอมเสียสละด้วยปัญญารู้ว่าการเสียสละนี้กระทำไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเสียสละไปในสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ไร้สาระ นี่เป็นอย่างนี้ธรรมะปฏิบัติอย่างนี้เมื่อแก่กล้ามากเข้าก็จะกลั่นตัวเองเป็นบารมีและบารมีนั้นเมื่อผู้ประกอบบําเพ็ญแก่กล้ามากเข้าก็จะกลั่นตัวเองเป็นอุปบารมีและปร r a m a t t h a b a ีตามลําดับบุญบารมี ทั้งตวงที่มีผู้ที่ผู้ประกอบบําเพ็ญไว้ด้วยดีต่อเนื่องและเจริญรุ่งเรืองไปด้วยธรรมะปฏิบัตินั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยจะมีผลสำคัญในการที่จะเป็นบาทเป็นพื้นฐานเป็นอุปการะให้บุญและบารมีอื่นๆเจริญตามไปด้วยบุญบารมีเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญบารมีที่จะเป็นภลวะปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงได้และบุญบารมีที่จะเจริญงอกงามตามกันไปนั่นก็ได้แก่ศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมี รวมเรียกว่าบารมีสิบทัศนบารมีสิบทัศนนี้หากเจริญเต็มส่วนเป็นอุปบารมีปรมัติบารมีแล้วย่อมเป็นพลวะปัใจจัยให้ได้บรรลุมรลนิพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นจำเพาะแต่ทานบารมีอย่างเดียวจึงนับเป็น การประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งทีนี้เมื่อเราเข้าใจดังนั้นแล้วเรามาดูอีกสักนิดว่าบุญบารมีทุกอย่างทุกประการที่ได้กล่าวมานี้นั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนะใจมีที่ตั้งขาวอนอยู่ที่ไหน อยู่ที่ศูนย์กลางกําเนิดธาตุํารรเดิมตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือนั่นแหละตรงนั้นน่ะเป็นที่ตั้งของกําเนิดธาตุํารรเดิมเป็นที่ตั้งของธรรมในธรรมของสัตว์โลกเป็นที่ตั้งของกายในกายและจิตในจิตเป็นต้นธรรมในธรรมนั้นก็คือบุญหรือบาป หรือธรรมชาติกลางๆไม่ดีไม่ชัว่วบุญของผู้ที่ประกอบบำเพ็ญและเจริญรุ่งเรืองดีแล้วนั้นจะปรากฏเห็นได้อยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุคำเดิมนั่นเองนั้นแหละบุญอยู่ตรงนั้นถ้าเอาใจไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงนั้นได้จะเห็นดวงบุญบุญ ของมนุษย์สัตว์โลกทั่วไปนั้นเมื่อบำเพ็ญเจริญขึ้นประมาณหนึ่งคืบเส้นผ่าสุ่กลางนะประมาณหนึ่งคืบก็คือประมาณเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วจะ ก, กลั่นตัวเองเป็นบารมีได้ประมาณหนึ่งองค์ขลีมือบารมีที่แก่กล้าเต็มหนึ่งคืบ จะกลั่นตัวเองเป็นอุปบารมีประมาณได้เท่าหนึ่งองค์คุลีมืออุปบารมีที่ผู้ประกอบบำเพ็ญแก่กล้ามากเข้าจะกลั่นตัวเองเป็นปร r a m a t บารมีได้หนึ่งองค์คุลีมือเช่นกันบุญบารมีอุปบารมีปร r a m a t t บารมีของผู้ใดทั้ง10บประการบำเพ็ญด้วยดีแล้วมีขนาดโตประมาณหนึ่งคืบ ของตนเองจะมีผลให้สามารถที่จะบำเพ็ญบารมีปฏิบัติธรรมให้บารมีทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพลวะปัจจัยให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของผู้นั้นสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานในระดับปกติสาวกได้แต่ถ้าปรารถนาะที่จะบรรลุ มรลนิพานที่สูงกว่าปกติสาวกบุญบารมีที่บำเพ็ญก็จะต้องโตมีขนาดโตกว่าของผู้ที่อธิษฐานบารมีเป็นเพียงปกติสาวกอย่างนี้ธรรมชาตินี้ปรากฏอยู่ตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุําเดิมของสัตว์โลกแต่ละคนแต่ละรูป อย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงกลางกำเนิดาธาตุทำเดิมนี้จึงเป็นทะเลบุญให้เข้าใจจุดนี้ไว้ก่อนและเป็นปรากฏการณ์ที่สั่งสมบุญที่ตรงนั้นจึงชื่อว่าธรรมธรรมะแต่ธรรมะณที่นี้ตามมหาสติปัฏฐานสูตรตรงนี้หมายเอาธรรมะ สามฝ่ายฝ่ายบุญกุศลฝ่ายบาปอากุศลและฝ่ายกลา ง, ลางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจเจริญขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องหายไปประดุดดังแสงสว่างหรือความขาวใสละเอียดประณีตปรากฏขึ้นความมืดความหยาบความขุ่นมัวย่อมหมดไปบุญที่บำเพ็ญ ด, ดีแล้ว ยอมเป็นธรรมชาติที่ชำระบาปอากุศลได้เช่นนั้นเหมือนกันและก็เป็นเชกเช่นฉันนั้นอย่างเดียวกันโดยเหตุนี้แหละพระพุทธองค์จึงทรงสแสดงธรรมะปฏิบัติให้แก่ผู้มีปัญญาว่าพึงมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมณภายในเราจะเห็นธรรมชาติว่า เรานั้นมีธรรมชาติที่เป็นบุญกุศลหรือบาปอกุศลหรือธรรมชาติกลางๆมากน้อยเพียงใดแต่ว่าการเห็นนั้นเห็นได้ไม่ง่ายถ้าไม่เอาใจไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงนั้นได้เห็นไม่ได้ก็ได้แต่เพียงรู้เพียงคิดเอาเพียงตึกเอาพิจารณาเอาด้วยสติสัมปชัญญะธรรมดาว่าขณะนี้ใจเราเป็นบุญหรือเป็นบาป เรียกว่ามีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นบุญรู้เรื่องบุญรู้เรื่องบาปว่ามีปรากฏอยู่ในกิริยาการกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจก็เป็นความรู้ว่านั่นเป็นธรรมในธรรมเรียกว่ามีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติไปนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นความดีหรือความชั่ว แต่ถ้าประพฤติปฏิบัติทำตามแนววิชาธรรมกายแล้วหลวงพ่อท่านรู้จุดสำคัญคือที่ตั้งของบุญอยู่ตรงกลางกาเนิดชาติทาเดิมเพราะฉะนั้นปรากฏการนี้จะปรากฏอยู่ตรงกลางกาเนิดชาติทาเดิมให้เห็นเป็นบุญหรือเป็นบาปในลักษณะของใสบริสุทธิ์พร้อมด้วยขนาดโตใหญ่ เพียงใดของบุญบารมีอุปบารมีปรามัดบารมีและถ้าละเอียดเข้าไปแล้วยังกลัน่นตัวเองเป็นรัศมีกําลังฤทธิอานาจสิทธิเฉียบขาดอํานาจหมายถึงอํานาจของการปกครองธาตุธรรมนี่สูงขึ้นไปแต่ว่าทั้งนี้จะกล่าวแต่เฉพาะในเรื่องบุญซะก่อนเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วเรานึกต่อไปว่าบุญนี้แหละตรงกลางกําเนิดธาตุธรรมเดิมที่สั่งสมกัน แล้วกลั่นตัวเองเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรามัดบารมีนี่แหละจะส่งผลสะท้อนย้อนกลับมาสู่สัตว์โลกผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นให้ได้รับแต่สิ่งที่เป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองและสันติด้วยถ้าหากว่ารู้จักหาบุญได้และรู้จักใช้บุญเป็น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 เปิดโอกาสให้สาธุชนกราบนมัส ก, การอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกใจเข้าวัดไซสกราบพระพุทธชัยมงคล สัตุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติอยู่ขณะนี้ก็ที่สัตทุชนได้รับฟังจบลงไปนั้นก็เป็นธรรมะในเรื่องหาบุญได้ใช้บุญเป็นซึ่งบรรยายโดยหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลโอเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามสําหรับธรรมะเรื่องนี้มีทั้งหมดสองตอนตอนนี้เป็นตอนที่1สําหรับคลาวต่อไปก็จะได้นําตอนที่สองมาเสนอแด่ท่าน ผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ก่อนจากการวันนี้อัตมาภาพข อ, อนำพุทธศาสนสุภาษิตในเรื่องของการบุญการกุศลที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชนได้เป็นคติธรรมได้เป็นข้อคิดซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ในปุญญสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่25หน้าที่209 ความว่ามาพิกเวปุญญานังพายิทธะสุขัดเสตังอธิวัจนังซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยว่าพวกเธออย่าได้กลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแสดงว่าการสั่งสมบุญ คือคุณความดีนั้นไม่ว่าบุญที่เกิดจากทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลก็ย่อมจะนำความสุขความเจริญมาสู่ผู้กระทาผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นเนืองนิดนี้เป็นหลักของความจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้เหล่าสัตว์ที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้เร่งบาเพ็ญคุณงามความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลใส่ตัวไว้ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ ยังมีลมหายใจอยู่ก็จะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจะได้รีเร่งผลขวายตักตวงกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลในทางพระพุทธศาสนาเอาไว้เป็นเครื่องประคับประคองนาว่าชีวิตให้ดำเนินไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขนั่นเองสำหรับรายการธรรมะสู่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามรับฟังธรรมะบรรยายเรื่องหาบุญได้ใช้บุญเป็นได้ในตอนที่สองในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังสาธุชนทุกท่านขอจงปราศจากโรคขาพาด ท, ทั้งบวงปวงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรสมบัติและพระนิพพานสมบัติตลอดการละนานเทินเจริญพร